ลุงพ่อครับผมมีข้อข้องใจสงสัยหลายอย่างอยากจะเรียนถามแต่ก็เกรงว่าลุงพ่อจะไม่ตอบเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติครั้นจะเก็บเอาไว้มันก็ข้องใจอยู่นั่นแล้วลุงพ่อว่าผมควรจะทำอย่างไรดีครับเป็นคำถามค่อนข้างยาวที่ท่านพระครูได้รับจากพระบุญเหี่ยวในเช้าวันนี้เอาอย่างนี้ไหน เธอตอบฉันมาก่อนสิว่าเธอจะถึงกับท้องแตกตายหรือเปล่าถ้าหากว่าฉันไม่ตอบนะท่านพระครูเปิดฉากรกระแนกกระแนหพระโบเหียวใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งลองท่านตอบอย่างนี้แสดงว่ากำลังอารมณด์ดีพระหนุ่มจึงตอบไปว่ า, าก็ไม่แน่นะครับลุงพอ่อถ้าคืนเก็บไว้นานๆ ก็อาจจะต้องตายในลักษณะนั้นลุงพอคงไม่อยากเห็นใช่ไหมครับมันคงอุจจารณาหน้าดูเทลละผมเองก็ไม่อยากตายตั้งแต่อายุอย่างน้อยอีกอย่างหนึ่งลุง่อก็เป็นคนมีเมตตาการุณาใครๆก็รู้นึกว่าสงสารลูกนกลูกกาช่วยตอบให้หายสงสัยหน่อยเถอะครับแล้วผมจะไม่ลืมพระคุณลุงผอเลยพระบวัวเหี่ยวรา ย, ยาว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 ลุงพ่อน่จะรู้ว่าผมจะถามอะไรทุกทีก็เห็นลุงพ่อรู้ทําไมวันนี้เกิดไม่รู้เสลยหครับพระบัวเหียวไม่วายกระเซา้าฉันจะรู้ก็ต่อเมื่ออยากรู้แต่นี่ไม่อยากรู้ก็เลยไม่รู้อย่ามัวพูดมากประเดียวฉันก็ไม่เปิดโอกาสให้ถามเสหรอก ท่านสมพานวัดป่ามะม่วงถือโอกาสเล่นตัวครับครับถามถามคนถามละล่ำละลักด้วยเกรงว่าท่านจะเปลี่ยนใจไม่อนุญาตคือว่าในจ่อยเข้ามาเล่าให้ผมฟังเรื่องความประพฤติของพระเขาว่าพระที่วัดแถวบ้านเขาทำตัวไม่เหมาะสมเป็นต้นว่าเสพสุรายาเมาบ้างเสพเมถุนบ้างบงการข่าคนบ้าง อย่างนี้มันก็ต้องอาบัติประราชิกในสิทธิครับพระแบบนี้มีอยู่จริงหรือครับหลงพอผมว่าในจอยคงไม่พูดปดนะครับยิ่งกว่าที่เธอพูดมายังมีเลยโบเฮียวเอ๋ยเรื่องไม่ต้องอาบัติประราชิกหรือครับถามซ้ำมันจะไปอาบงอาบัตอะไรในเมื่อคนพวกนี้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 ขาดโยนิโสมนสิการขาดอะไรนะครับพระโบเฮียวรู้สึกไม่คุ้นหูกับศัพท์ใหม่ที่ท่านพระครูใช้ขาดโยนิโสมนสิการคือไม่รู้จักคิดไม่มองสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาเลยทําให้เกิดมิจฉาทิฏฐิโยนิโสมนสิการมีความสําคัญมาก เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิและเป็นต้นทางของความดีทั้งปวงคนที่มีโยนิโสมณสิการเขาจะแยกแยะได้ว่าใครเป็นพระใครเป็นมารศาสนาเพราะฉะนั้นถึงเขาจะเห็นพระทำตัวไม่ดีเขาก็จะไม่เสื่อมจากศาสนาเพราะเขารู้ว่านั่นคือมาร ไม่ใช่พระไม่ความว่าคนที่ขาดโยนิโสมะณสิการเป็นคนโง่ใช่ไหมครับจะว่าโง่ก็ไม่เชิงหรอกนะเพราะคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีการศึกษาสูงเป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์เป็นวิศวกรเรียกว่าเป็นคนมีปัญญาแต่เป็นปัญญาในทางโลกเธอคอยดูไปก็แล้วกัน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 ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วพวกมารศาสนาเหล่านี้ยังพยายามจ้วงจากบิดเบือนพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยคนก็จะพากันเสื่อมจากศาสนานับว่าเป็นเรื่องอันตรายมากแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรครับอะไรนะ เธอพูดว่าเราเง้นหรือเราแก้ไขไม่ได้รอกโบว์เหี่ยวเอย๋ยอย่าว่าแต่เราซึ่งเป็นเพียงหยดน้ำหนึ่งในมหาสมุทรเลยคนที่เขามีอำนาจวาสนามีบารมีมากกว่าเราหลายร้อยหลายพันเท่าก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้มันต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรม ท่านพระครูพูดปร่งๆหลวงพ่อครับผมชักงงๆแล้วนะครับงงเรื่องอะไรอีกละ่ะรู้สึกจะงงบ่อยเลือกเกินนะก็เรื่องกรรมนะครับประเดี๋ยวหลวงพ่อก็สอนว่าไม่ควรปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามกรรมประเดี๋ยวก็บอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกรรมจะไม่ให้ผมงงยังไงไหวพระหนุ่มชี้แจง ก็ไม่เห็นจะต้องงงเลยฉันเคยบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าเรื่องของกรรมมันสลับซับซ้อนยากที่คนธรรมดาจะรู้จะเข้าใจได้มันเป็นอจินไตอะไรไตนะครับพระโบเฮียวมีอันต้องงงหนักขึ้นอจินไตเธอไม่เคยได้ยินหรอกหรือฉันจำได้ว่า เคยอธิบายให้เธอฟังมาครั้งหนึ่งแล้วเอก็เป็นคนช่างจำไงลืมเสียได้ละ่ะท่านตำหนิไ ก, กลๆครับแต่ก่อนผมช่างจำแต่เมื่อมาเจออะไรๆที่ทำให้งงอยู่เรื่อยความจำมันก็เลยเสื่อมลุงห อ, อ ก, กรุณาขยายความอีกสักครั้งเถอะครับท่านพระครูนิง่งตามองไปที่ตู้พระคำภีพูดว่า ฟังอย่างเดียวมันจำยากต้องให้เห็นด้วยนั่นไงอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่21สอนั่นไปเปิดดูเสียพระใหม่จึงต้องลุกขึ้นเดินไปที่ตู้พระคำภีหาอยู่นานกว่าจะได้เล่มที่ต้องการได้คำภีแล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมอยู่หน้าอะไรครับหลวงพอ่อถามเพราะใช้ไม่เป็น หน้าโง่มัง้งท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยโทษลุงพ่อก็ท่ามดีๆต้องด่ากันด้วยใครว่าดา่าคนดีๆอย่างเธอใครเขาจะดา่าแม้ลุงพอนี่เข้าใจใช่ได้ใช้ได้พูดพลางพยักหน้างึกๆึเข้าใจอะไรคราวนี้ท่านพระครูเป็นฝ่ายงงบ้าง ก็เคาใจตบหัวแล้วลูบหลังนะสิครับมีอย่างที่ไหนด่าว่าผมโง่อยุยกยุกก็มาชมว่าผมดีอีกแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่าตบหัวแล้วลูบหลังจะให้เรียกว่าอะไรโง่แต่ดีกับฉลาดแต่เลวเธอจะเลือกอย่างไหนล่ะเอาดีด้วยฉลาดด้วยครับตอบเสียงหนักแน่นอันนั้นมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข ฉันให้เธอเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างว่าไงจะเอาอย่างไหนเง้นก็เอาโง่แต่ดีก็แล้วกันครับผมไม่อยากฉลาดแล้วตกนรกแล้วหลวงพ่อละครับจะเลือกอย่างไหนพระหนุ่มเป็นฝ่ายถามบ้างสาหรับฉันไม่ว่าจะเลือกอย่างไหนมันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งสองอย่างเพราะฉัน อยู่นอกเงื่อนไขที่ว่านี้แปลว่าหลวงพ่อหลุดพ้นแล้วใช่ไหมครับพ้นจากนรกสวรรค์พ้นจากความดีความชั่วพระโบเฮียรถือโอกาสสรุปไหนเธอจะดูเรื่องอจินไตยไม่ใช่หรือดูที่สารบันเรื่องอจินติสูตรก่อนว่าอยู่หน้าที่เท่าไรแล้วช่วยอ่านให้ฉันฟังด้วย ท่านพระครูตัดบทด้วยไม่ต้องการอวดอุตตริมนุสธรรมเพราะการกระทำเช่นนั้นจะต้องอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าอวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตนก็จะต้องอาบัติปาจิตตีถ้าอวดอุตตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนก็จะต้องอาบัติปาราชิกท่านจึงหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องเช่นนี้ด้วยมันเสียทั้งขึ้นทั้งล่อง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 อจินไตสี่ประการเป็นไนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งฌานวิสัยของผู้ใดฌานหนึ่งวิบากแห่งกรรมหนึ่งความคิดเรื่องโลกหนึ่งอจินไตสี่ประการนี่แลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนไง ยังสงสัยเรื่องกรรมอยู่อีกหรือเปล่าท่านพระครูถามเมื่อพระบูเหียวอ่านจบไม่สงสัยแล้วครับไม่อยากคิดด้วยผมกลัวเป็นบ้ากลัวเดือดร้อนครับพระบเหียวตอบริงจังดีแล้วคิดอย่างนั้นได้ก็ดีจะได้สบายใจแต่เธอเชื่อเถอะใครทำกรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้น เราไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยแต่ประการใดพวกมารศาสนาเหล่านี้ในที่สุดก็ต้องรับกรรมที่ตนกระทากรรมมันมีผลมีวิบากไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามลุงพ่อครับผมสงสัยอีกนิดหนึง่งทำไมในคำพีเขาถึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้า ไม่ได้มีพระองค์เดียวหรือครับคนช่างสงสัยถามอีกมีหลายพระองค์ในกับหนึ่งหนึ่งก็จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัตยิยางกับที่เราอยู่นี้เรียกว่าพัทระกับมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติห้าพระองค์พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ที่สี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 พระกสปะพระโคดมส่วนองค์สุดท้ายคือพระเมตเตยะที่เรียกว่าพระศีริใช่ไหมครับนั่นแหละในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเขาเชื่อว่าพระพุทธศาสนาคือศาสนาของพระสมณะโคดมนั้นจะมีอายุ5้าพันปี ต่อจากนั้นก็จะเป็นศาสนาของพระเมธเตยะนี่เราก็ผ่านเข้ามาถึง 2,516 ปีแล้วก็เหลืออีก 2,400 กว่าปีก็สิ้นอายุกล่าวกันว่ายิ่งใกล้จะถึง 5,000 ปีคนก็จะยิ่งเสื่อมจากศาสนาลงไปเรื่อยๆและพวกมารศาสนา ก็จะทวีจํานวนมากขึ้นหลวงพ่อครับแล้วระยะเวลาหนึ่งกับนานแค่ไหนครับเขาว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากท่านอุ ป, ป, ปมาว่าเปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาแท่งทึบกว้างยาวสูงด้านละหนึ่งยชดทุกทุกร้อยปีมีคนนำผ้าเนื้อละเอียดอย่างดี มาลูกครั้งหนึ่งจนกว่าภูเขานั้นจะสึกรอสิ้นไปแต่กับหนึ่งก็ยังยาวนานกว่านั้นอีกช่างยาวนานจนดูเหมือนว่าไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะครับถ้าอย่างนั้นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ชั่วกับชั่ว ก, กันก็เบื่อกันแย่สิครับนั่นสิฉันถึงได้พยายามที่จะตัดออกจากวัฏสงสาร ให้ได้ถึงเธอเองก็เหมือนกันวัตสงสารนี่มันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไรและจะไปสิ้นสุดลงเมื่อไรครับไม่มีใครรู้ว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไรและมันก็ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดลงได้ตราบใดที่สัตว์โลกยังทํากรรมกันอยู่แต่ถ้าสัตว์โลกหยุดทํากรรมเมื่อนั้น มันก็จะสิ้นสุดลงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์โลกจะหยุดทํากรรม impossible คราวนี้ท่านพระครูใช้ภาษาอังกฤษฮันแน่ลงพ่อพูดภาษาปกิจก็เป็นด้วยพระลูกวัดล้อเลียนแล้วจึงถามต่อว่า พระจังข่ะคนนี้ตกนรกไหมครับแล้วทำไมท่านถึงต้องทำอย่างนั้นเธอว่าตกหรือเปล่าเล่าอย่าลืมพระพุทธเจ้าส่งสอนไว้ว่าเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นก็ท่านไม่ได้ลงมือฆ่าเองก็ไม่น่าจะบาปนี้ครับทำไมจะไม่บาป ถึงจะไม่ได้ลงมือเองแต่วจีกรรมและมโนกรรมก็เป็นของท่านแม้กายกรรมจะเป็นของคนอื่นก็ตามกรณีที่ว่านี้ถ้าเขาสอบสวนได้ความว่าทำผิดจริงก็ต้องถูกให้ศึกเพราะเป็นอาบัติปราชิกมันก็น่าสลดใจนะ อุตสาเข้ามาสู่ร่มกาสะวะพัทแต่กลับเอาตัวไปลงนรกจนได้กรณีรองเจ้าคณะจังหวัดจ้างฆ่าเจ้าคณะจังหวัดก็เหมือนกันขนาดเป็นครูบาอาจารย์ของตัวเองก็ยังทำได้ลงคอทำไมถึงต้องฆ่าแล้วครับก็หวังตำแหน่งนะซีอาจารย์ไม่ตายสักทีลูกศิษย์ อยากจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็เลยจ้างข้าเสียเลยฉันยังไปงานพระราชทานเพลิงศพท่านเพราะคุ้นเคยกันมาก่อนเธอไม่เคยได้ยินเรื่องนี้หรอกหรือดังทูบประเทศเชียวละน่าสลดใจเลือกเกินแล้วรองเจ้าคณะจังหวัดถูกจับหรือเปล่าครับก็เพราะถูกจับน่ะสิเรื่องถึงแดงขึ้นมาไม่น่าทำเลย เพราะลาบสการะเป็นเหตุแท้เป็นพระเป็นเจ้ามันหลงติดอยู่กับลาบสการะกดเจงทุกร่ายคราวนี้ท่านใช้ภาษาจีนแม้ลุงพ่อเก่งจังนะครับพูดได้ต่้งหลายภาษาจีนก็ได้ปกกิจก็ได้พระบูเหียวออกปากชมก็ฉันทำกรรมมาดี ท่านพระครูถือโอกาสคุยทับกรรมที่ทำให้เก่งเป็นอย่างไรครับผมอยากเก่งบ้างอยากรู้ก็ไปอ่านจุลกรรมวิพังคสูตรเอาเองที่สุภมานพบุตรโตเอยพรามทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนเราถึงเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนโง่บางคนฉลาด บางคนรวยบางคนจนพระพุทธองค์ทรงอธิบายไว้ละเอียดมากมีโอกาสก็ไปอ่านเสียอยู่ในคำพีพระไรปิดกเล่มที่ส4นั่นอ่านแล้วจะได้เลือกทำแต่กรรมดีฉันเองยังเสียดายตอนเด็กๆ เ, เกเรชมัดสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้มากนี่ก็ทยอยใช้ไปเรื่อยๆ จะพยายามชดใช้เสียให้หมดหมดไปในชาตินี้แปลว่าลุงพอจะไม่เกิดอีกแล้วใช่ไหมครับด้วยใจจริงแล้วฉันไม่ปราถนาจะเกิดอีกเลยแม้แต่ชาติเดียวแต่มันก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้ายังใช้กรรมไม่หมดก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะปราถนาหรือไม่ปราถนาก็ตาม แล้วตอนนี้หลวงพ่อใช้จวนหมดหรื อ, อยังครับพระโบเหียวพยายามตะล่มหมดหรือไม่หมดมันก็ไม่ใช่เรื่องของเธออย่ามาถามเซาซีอยู่เลยฉันไม่หลงกลเธอง่ายๆหรอกคนเป็นสิทธ์ทำหน้าปั้นยากเมื่อคนเป็นอาจารย์รู้เท่าทันแต่แล้วก็ถามขึ้นอีกว่าหลวงพ่อครับผมยังสงสัยเรื่องที่หลวงพ่อเล่ามา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 ใช้ความพยายามในการฆ่าหนึ่งสัตว์ตายเพราะความพยายามนั้นหนึ่งฉันจะเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งแล้วเธอวิเคราะห์เอาเองก็แล้วกันว่าครบองห้าหรือเปล่าเรื่องนี้เขาเล่าสืบกันมาเขาว่าเป็นเรื่องจริงด้วยแล้วหลวงพ่อว่าหรือเปล่าครับว่าอะไรก็ว่าเป็นเรื่องจริงน่สิครับ ผมไม่เคยได้ยินว่าหลวงพ่อว่าสักครั้งมีแต่เขาว่าเขาว่าอยากให้หลวงพ่อว่าบ้างพระยวนยวนพูดอย่างนี้แปลว่าไม่ฟังใช่ไหมก็ดีฉันจะได้ไม่เล่าคนเป็นอาจารย์ถือโอกาสเล่นตัวฟังครับฟังนิมนต์เล่าเถอครับพูดพร้อมกับประนมมือขึ้นนิมนต์ท่านพระครูจึงเริ่มเล่า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 ฉันไม่เล่าแน่ครับครับผมไม่ขัดคอแล้วผมโบเฮียวครับไม่ใช่โบเฮียวนี่มนเล่าเถอครับท่านพระครูจึงเริ่มต้นใหม่ว่ากาลครั้งหนึ่งนอนมาแล้วมีหลวงตาองค์หนึ่งอาศัยอยู่ในวัดวัดหนึ่งเช้าตรู่วันหนึ่งท่านก็เห็นเต่าใหญ่ตัวหนึ่งกำลังเดินตุ่มเตียม อยู่บนทางที่จะไปฐานหลวงตากำลังจะไปฐานเพื่อปลดทุกข์ครั้นเห็นเต่าทุกนั้นก็พลันหายเพราะความอยากฉันแกงเต่าก็เลยหันหลังเดินกลับไปที่กุฏิคว้าคำีใบลานมานั่งเทศทำเสียงอ่อนเสียงหวานว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลาน ตัวมันออกใหญ่ๆญ่เมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆหญ่เทศซ้ำๆอยู่อย่างนี้เพราะต้องการจะให้ลูกศิษย์ได้ยินข้างฝ่ายลูกศิษย์ก็นึกว่าหลวงตาเทศก็ไม่ได้ใส่ใจหลวงตามโมโหเลยตะโกนดังๆว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลาน โมันออกใหญ่ๆโวยคราวนี้มีโวยติดมาด้วยหลวงตาท่านโวยนะไม่ใช่พระครูเจริญโวยเดี๋ยวจะมาหาว่าท่านพูดไม่สุภาพท่านพระครูพูดออกตัวไว้ก่อนพระโบเฮียวเลยถือโอกาสสนองว่าผมยังไม่ได้วาลุ้งพ่อสักหน่อยไม่เห็นจะต้องร้อนตัวไปเลยนีมนเรล่าต่อเถิดครับกำลังสนุกพอ่อหลวงตาโวย ลูกศิษย์ก็เลยเข้าใจรู้ว่าอ๋อนี่หลวงตาคงอยากจะชันแกงเต่าจึงเดินไปทางที่จะไปยังส่วมพระก็เห็นเ ต, าต่าตัวหนึ่งคลานต้วมเตียมอยู่เลยจับเอามาวิธีแกงเต่าสมัยนั้นจะต้องต้มให้มันตายเสียก่อนลูกศิษย์ก็จัดแจงก่อไฟเอาหมอข้าวใส่น้ำยก ขึ้นตั้งไฟพอน้ำเดือดก็จับเตาใส่ลงไปบังเอิญเตาตัวมันใหญ่กว่าหม้อข้าวมันก็เลยร่วงลงมาลูกศิษย์ก็จับใส่ลงไปใหม่มันก็ร่วงลงมาอีกเป็นสองครั้งสามครั้งข้างฝ่ายหลวงตาชำเลืองดูอยู่เห็นถาจะไม่ได้ชั้นแกงเตาเป็นแน่แท้ ก็เลยหยิบคำภีใบลานขึ้นมาอีกเดี๋ยวก่อนเธอรู้จักหม้อต้มกรักไหมละ่ะท่านถามคนฟังไม่รู้จักครับหม้อต้มกรักเป็นภาชนะรูปทรงกระบอกมีขนาดใหญ่กว่าหม้อข้าวเขาเอาไว้สำหรับย้อมจีวรเพราะสมัยนั้นยังไม่มีจีวรขายเหมือนอย่างสมัยนี้ คนเล่าอธิบายครับแล้วอย่างไรต่อไปครับลวงตากก็างคำพีออกแล้วเทศด้วยเสียงอันดังว่าเมื่อกี้ข้าไปทานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆห่หม้อข้าวมันเล็กนักหม้อต้มกรักนั่นเป็นไรลูกศิษย์ก็จัดแจงไปหยิบหม้อต้มกรักมาเอาน้ำในหม้อข้าวเทใส่ยกขึ้นตั้งไฟ แล้วจับเต่าใส่ลงไปในที่สุดล้วงตาก็ได้ชั้นแกงเต่าสมใจก็เป็นอันจบเรื่องเอาละทีนี้เธอวิเคราะห์มาสิว่าในองห้าที่กล่าวมาข้างต้นล้วงตาถูกองค์ไหนบ้างครบองห้าเลยครับคราวนี้พระบูเหียวตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดอ้าว ก็ท่านไม่ได้ลงมือเองแล้วจะครบไดยยังไงท่านพระครูลองใจครบสี่ครับเพราะเต่าเป็นสัตว์มีชีวิตลงตาท่านก็รู้ว่ามันมีชีวิตแต่ก็ยังจะอยากกินมันก็แสดงว่ามีจิตคิดจะฆ่าใช้ความพยายามในการฆ่าก็ตรงทิ่เทศว่าหมอกข่าวมันเล็กนักเหมาะต่อมกลักนั่นเป็นไรแล้วเต่าก็ตายเพราะความพยายามนั้น อย่างนี้ไม่เรียกว่าครบองค์ห้าหรือครับแม้เธอนี่ฉลาดเสียจริงจงพระบุเฮียวหน้าบานเมื่อถูกชมแต่ก็หุบลงทันทีเมื่อท่านพระครูพูดต่ออีกว่าแต่นานๆจะฉลาดสักครั้งอย่างเรื่องเมื่อกี้น่าจะฉลาดไม่ฉลาด่องอะไรหรือครับ ก็เรื่องรองเจ้าคณะจังหวัดนั่นไงเธอคิดว่าไม่บาปหรือถึงท่านจะไม่ได้ลงมือเองแต่มันก็ครบองค์ห้าหรือเธอว่าไม่ครบพระหนุ่มครุ้นคิดอยู่ประเดียวหนึ่งแล้วก็ยิ้มแยแยพูดเสียงอ่อยๆว่าจริงครับผมไม่น่างโง่เลยนั่นสิหน้าเธอดูฉลาดออกท่านพระครูเริ่มรุก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 หมดเวลาเธอกลับไปปฏิบัติที่กุตติของเธอได้แล้วตั้งอกตั้งใจเข้าจะได้ใช้นี่ให้หมดหมดไปเสียประโยคหลังท่านทิ้งท้ายเอาไว้ให้คนฟังไปคิดเอง